สิ่งใดที่ยึดที่ติดอยู่ที่หลงอยู่มันเห็นโทษเห็นขุนมันยังคอยสิหยุดสิละได้เป็นสละดได้ด้วยปัญญากันบะเอาปัญญาเข้าไปให้ควนไปจับที่นิดพิจารณาแล้วมันสิบละมันจะเห็นสิ่งที่ผิดเป็นถูก เห็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นสิ่งที่ควรนี่ข้อเห็นคิดถีคือข้มเห็ น, หนถ้ามันเห็นไปอย่างันมันก็บาย่อมถอนมันยึดจังว่ายึดมันถือมันยึดมันถือมันแม่ทั้งผิดในสิ่งที่ทำผิดมาย่อมละมาย่อมแก้มาย่อมถอนตัวออกจาก สิ่งที่ผิดนั่นพอเราเห็นโทษแล้วมันเห็นโทษหรือมันก็ละถอนได้นี่ธรรมะศีลสมาธิปัญญานี่เป็นหลักธรรมในองค์มรรคในมรรคแปดเพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติตามหลักของศีล ปฏิบัติตามหลักที่จะให้เกิดสมาธิคือการเพ่งใจในอารมณ์มันเดียว<ม>ปฏิบัติตามหลักที่จะให้เกิดสติปัญญาที่การใข้ข่วนทีนิพพิจารณาทบทวนหาเหตุหาผล ม, มันยึงจะเห็นเหตุผลแจ่มแจ้งมันจึงจะละ ความหลงความหลงพิษเห็นพิษได้ถฝึกใจได้ล่ะฝึกใจได้ฝึกใจให้ดีให้รู้ดีเข้าใจดีมันจึงจะเป็นท้ำดีมาสั่นเป็นท้ำเลวท้ำเลวทำาฟตำ ขึ้ยโยกับการฝึกหัดปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติตั้งใจฝึกแต่ว่าตั้ ง, งใจฝึกก็ปล่อยไปตามเรื่องพี่นา้าให้น้ำโค้งไหลลงมาจะทางเงี้ยจีนก็ไหลลงไปเรยเด็กไปลงทะเลตกทะเลแต่ก็วนเวียนเด้อมีดว่อนไป นี่ก็เหมือนกันคิดใหญ่ปล่อยให้มันไหลไปตามความลุ่มความหลงความอยากความมั่วมัมันไม่มีที่สิ้นสุดว่อนยืนหันะเมื่อใดมาอาศัยธรรมะฝึกธรรมะขม่าเป็นเสน้นเป็นบรรทัดฐานเป็นขอบเขต ปุกฮัตปฏิบัติมันจังจะเป็นศีลเป็นถ้ำขึ้นมาอันจึงจะเรียกใจข้อมสงบรม่มเย็นราบรื่นได้มีชีวิต ร, ราบรื่นด้วยถ้ำดูมีความสุขด้วยถ้ำด้วยคุณธรรมอันบ่สราก็จะทุกไปจนตายตายแล้วเกิดอีกทุกอีกทุกไปจนตายเกิดอีกทุกอี ก, กอันังจะ ที่สิ้นสุดที่จบลงไปได้ <c oughs> อะอะลงะมาลองธร <c oughs> รมเแ้ไม่อ้ลงธรรมะเลยเก๊กค้อจีนแ้่ก่อน้องคอยลำ้องค่อยล่วยผิดมากเรายังคอยมีปัญญายัเงเห็น เห็นประโยชน์ของเข่งของไม่ข้านส้มเกิดมาแมันทุกสบายเลยมันว่าเห็นทุกว่เห็นความลําบากมันว่มีปัญญาว่ามีสติว่ามีปัญญาว่ามีความระมัดระวังมันต้องเห็นประยู่หุ่นบอลอดอดหยากหยาบบอล่มีอย่างกินกินตามธรรมศาสตร์กัน ยังคอยเสียเป็นข้นให้เกินไปก็บาทลงว่าตั้งไว้เดี๋ยวนี้หางานให้เห็ดมาถ้าเห็ดงานมันอยู่สือส่อมันวะนี่ปัญญา <c oughs> อ, ออกเมื่อครบสี่สเก ว, วันเนี่ยประทับอยู่ร่มไม้ราซายตนาตัพุทธะพัษษพนลิกาสองพี่น้องพ่อข้าตามตำนานว่าเป็นพ่อขา้าเจ้าเมืองพามา่าไปเนี่ยทัพุทธะพัษษพนลิกาสองพี่น้องไป พ, พบพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ร่มไม้เกศในราซายาตนายิ่งดนน้อม เขาศัตรก่อนศตรูผมเขาไปถวายก็องค์ิึงระลึกถึงะพุทธประเภทนี่พระพุทธเจ้าในการกรใส่อย่างหลับจึงเกิดร้อนถึงจะ จ, ะจะตุโรคกกบาลทั้งสีน พระองค์จึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าในการกรรับเอารับอาหารโดยบาทยาชาจวจตุรโกบาลทั้งสี่จึงนั่บาทมาพุลนุ้ยบาทหนา้าพุลนุ้ยมาถวายน้อมขอถวายพระองค์จึงอธิษฐา น, นร่วมขอเป็นบาทใบเดียวบาทสีน่วยร่วมเป็นบาทใบเดียวเป็นบาทศิลาบาทหิน จ เ, เอาบาดรับเข่าวศัตุกรศัตรูพงจากพระพุทธสัทวีกาสองพี่น้องทั้นแล้วสองพี่น้องจึงขอถึงพระพุทธพระธรรมนี่ว่าถึงสรณะนาสองกรโมในโลกเพราะขณะนั้นพระสงฆ์ยังบวเกิดยังบวมีพระภิกษุสงฆ์ท่านจึงขอถึงพระพุทธรธรรมเป็นสรณะนที่พึ่งตลอดชีวิต ม่ตนานําหน่นเขาจชืว่าพระพุทธเจ้าประท่านพระเกศาลูกพระโมโลีพระเกศาสองเซนแล้วให้เขาถึงว่าสร้างพาบรรจุพระธาตุสเวดากองบรรจุอยู่พระธาตุสเวดากองของพระมาน ต, ตำแห น, น่ง <laughs> พระวังเซนนี้พระธาตุบรรจุพระเกศาพุทธเจ้า คนเอาไหางแต่คนยั่งต้องคนซนอยู่แต่ <c oughs> เป็นเนสัยประใจมากึื่ว่าเศ้าพมา่าึงมีพุทธนับถือพุทธศาสนาปฏิบัติตามมักศีลสมาธิปัญญามากนี่เสื่อสายมากทุกวันทังว่าบาท หินด้วยนสิไปตกด้วยใส่มาท่านมาท่านทำไรหรอกแต่ว่าไม่ผู้รักษาต่อตกเงินตกดีวยสีร่างกายให้ใส่ของทำด้วยหินด้วยค้องท้นด้วยนี่ก็สร้างพระอุทารูปหลวงพ่อองค์ดำด้วยหินหินแกรนิตย์สีดำแต่ชิจู้ได้โดนด้วยแะพูดเลย ตายแล้วเกิดไว้กับมาเกิดอีกถ้าเดี๋ยมใสพุทธศาสนาเดี่ยวใสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดี๋ยมากราบของเก่าของเกี่ยของเห็นไว้เนี่ยละสมัยเล่าสมัยขอมต่างพระพุทธลูกฟังไว้นําบัดว่าอารามพ่อมา ก, ก็เกิดกับม า, ค, มา ค, คุดมาคนเขาคิดว่าอย่างนี่ยแค่ของเกี่ของอะไรเห็นไว้ เป็นทีกาวายสัตระบูชาเป็นสื่อถือว่าเป็นสื่อหรือเป็นวัตถุที่ให้เกิดพุทธานุสติและลึกถึงพุณนพระพุทธเจ้าคันว่าไม่รูกไม่ลักษณะเพินไว้ก็ว่ามี่ยั้งเป็นเครื่องหมายแต่มีเครื่องหมายเมื่อเห็นก็ได้และลึกคิดในใจ เพราะฉะนึงเป็นบ่อเกิดแท่งบุญที่เกิดข้อมสุขใจเมื่อได้ราบได้วาใจบ่ดีใจล่อนลไปเขาไปในโบสถ์นั่ยที่พุทธคญาเยดีพุทธะยะหลวงพ่อเมตตาใช่ไหมเป็นนางรัศมีเ อ, อิบอิ่มเมื่อกบานคุณได้ใจวิเขาไปนั่งหันไปใจดีเลยให้เห็นลักษณะเคนเอื้ออิ่มเมอือกบาน เกิดพุทธานุสติผ่อนคลายคล่มตึงเขียดทั้งคิดใจได้เกิดสังเวชเกิดธรรมะสังเวชได้เป็นเยาว่าเป็นวอกเกิดแห่งบุญคิดใจเนี่ยมันโมเป็นตัวเป็นตนแต่มันมีปฏิกิริยาถ้ามันเป็นตัวเป็นตนมันก็ว่ายากอะคุน ตัวเป็นตนคืองั่วคือไหวยนี่ยมั่วอยากให้มันฟุ่งซ่านแล้วโฟกไว้ซะมัดไว้สิยู่อันนี้มันเ่าเป็นตัวเป็นตนมันเป็นหน้ามาทํามันคิดมันฟุ่งไปบางสิ่งบางอย่างเฮาบ่กอยากให้คิดมันก็คิดยังอยากให้มันคิดพอมันเป็นทุกข์มันคิดเหรอมันเป็นทุกข์ไ่อยากให้คิดก็คิดแื่คิดย่านพิโลกพิเดอย่างไ้ อยู่ผู้เดียวนั่งภาวนาจะอยู่วัดอยู่ทำอยู่ผู้ใช้กระแซงนั่งภาวนานก็คิดย่านคิดกลัวย่านผีย่านนั้นย่านนี่คิดไปกับขนนันานกลัวน้อก็เป็นทุกข์มันก็อยากให้มันคิดคิดผู้ท้อผู้ท้อมันก็นยัง่งรอยไปคิดน้ําเป็ดน้ําผีน้ําเสียน้ําสางอยู่ ทั้งทั้งที่ว่ามีได้เสือกระไดไปคิดหันยุ่ในผู้ในเขายุ่ในคุดตีกับแอมเจห้ดียุดแล้วล่ะถ้วหึงย่านผีย่านเจดย่านผีเรืเลยเป็นทุกข์นี่ปรยัดให้คิดมันก็คิดนี่เป็นว่าของปยัดให้คิดแต่ว่ามันคิดห็นคิดแล้วมันเป็นทุกข์นี่เพราะท่านตรงนี้นี่แนวแก่ มแนแวเปลี่ยนวิถีมันต้องปรับเปลี่ยนวิถีด้วยการใส่ความคิดเปลี่ยนแนวทางเป็นอย่งว่าใส่ปัญญาแก่มันยากคักๆหลวงปู่อ่อนหรืเ อ, <c oughs> อเพื่อนไปโย่ทั้งคำเพื่อนคือย่านเสือสมัยก่อนเสือมันหลายเสือมันหลายมันจะล่องเดินจงกรมกันขึ้นอย่างเสือห้อง มีเห็ดชนิดใทรมานเจ้าของเอาใน่กุตติไสกรประตูไว้ไสกนทั้งในไว้ต้นดอกหน้าต่างกุตเลยเพราะว่ามันยานมันกรขึ้นไว้ไว้มันเปิดไว้ทั้งตูวไสกรเลยทั้งใน่หาพี่ทรมานเจ้าของต้นดอกหน้าต่างมากเดินจงกรมย่านเอากุตไว้ไสกรรับไว้เละ ันใต้ก็ดูยั่ยืนเอาไปเอามากสติปัญญาคลิกแพ้งสอนคิดเจ้าของยังคอยเอาสนะครอมครัวไรนี่มันคิดถูกเขาใจถูกมันหายกลัวหา ย, ย่ากมันยังคอยเป็นความสุขความสบายใจมันธรรมดาได้เรื่องของใจมันคิแพง ยูบ่อนึงคิดไปยังหนึ่งยูบ่อนึงคิดไปยังหนึ่งไปถ้ำอันนึงคิดไปยังหนึ่งถ้ำอันนึงคิดไปยังหนึ่งอาจารย์ต้องโู้ท่านมันด้วยการภาวนาด้วยการใส่สติปัญญาเข้าไปควบคุ้มไปสอนมันต้องอใส่ปัญญาสอนใจ ถอนใจจะของแล้วพ่อน การทำก้มรูกามเข้าใจในสภาพว่ารรมมันรูมันเข้าใจแล้วมันจึงปลอยจิงว่างจิงวายุดมันถิมัน จ, งนนนจึงปลอยให้สภาพความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามวิถีของเขาเวพอไปทัดท่านความจริงของเขาเป็นความแก่มันจะต้องแก้ไปไม่อยากให้แก่ ไม่อยากให้แก้ไปทัดท่านไปทัดท่านแบบเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เป็นไปต้องตายมันมีไปทัดท่านไม่อยากให้ตายเรียกว่าไปทัดท่านเขาทายก็ต้องตายตลูกเขาใจตามความกิงปล่อยทุกสิ้นทุกอย่างให้เขาเป็นไปตามสภาพของเขา ก็มาเป็นทุกข์เรียกว่าเข้าใจธรรมะมี่ธรรมะคือ ส, สนคือข้อมสลาดต่งางข้อมสลาดตามความสลาดให้เกิดขึ้นในจิตมันเป็นปลอยไปตามบุนตามก่ำปลอยไปตามบุนตามก่ำเมื่อเรียกว่าเป็นผู้ฟึกนัด เื่อความสลาดีการภาวนาการปฏิบัติเรี่ยวฝึกหัดให้เกิดความสลาดมีความสลาดก็กระทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ ธรรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากส่วนอาถรรม์หรือถ้ำมันเหลวธรรมฝายตำ่ำมันก็มีคุณค่าอยังดอกมันมีแต่งแต่ถ้ำไฮเรามองถ้ำไฮดำขม ทำให้ฮมกมุ่นอยู่กับถูกทรงสารนี่คว า, ามบรสลาตความบรสลาตในการฝึกตนในการฝึกคิดบริสลาตในการยกคิด เพื่อให้ผลอำนาจของสิ่งที่กดทวงอยู่ที่เรียกว่าอาสวะหรือกิเลสความมักงายเพิ่มเปรียดข่านเพิ่มบ่ไม่เหตุไม่ผลเป็นเรื่องอาสวะมันพอกคุ่มคิตใจ ท่าก็โจมอยู่อย่างเัี้ยโจมนี่ในทุกน์นี่ขันข น, นาไปท่างดีท่างทิท่ามขมดีหดหูหดหูฤทา น่าไปในทางที่ที่ให้ทุกดูนึกคิดไปในทางที่ทให้ทุกเหตุร้อยู่ในอำนาจความทุกข์คล่องม่ไบอกอยากไม่ได้สอนอยากวนมากับเป็นไปเองนี่มันเป็นยางไง ทร้างไฟตำ่ำสร้างสิบหกสิมัดเลยนะี่วิตาสงสารเป็นไปเองมันไหลไปเองทางที่จะยกออกจากวัตาสงสารยกออกจากความทุกข์ทรมานความอุ่นมั่ววุ่นไหวนี่ยากเป็นของอยาก มีความเพียรพยายากมีความอดทนสู้ดสู้ทนฝึกตนอาศัยรักถ้ำเป็นบรรทัดฐานเป็นไหนที่ ไม่เป็นไปด้วยไม่เป็นไปโดยธรรมไม่เป็นไปเพื่อความสงบระ ง, บงับแห่งทุกข์บ่ไปอยากไปก็ บ, บ่ไปอยากทำก็บก่บทำรยิงนงได้เป็นไปเพื่อความรู้ความเอาใจความแจงสว่างในสติปัญญาบังคับมันทำ เราจะทำกับบังคับมันทำไปยังไงอย่างนั้นวิธีธรรมะวิถีปฏิบาาัติธรรมธรรมจึงจะให้ผลจะให้ประโยชน์ทำไปยังไงผมทำว่าให้ผลว่าให้ประโยชน์ เพาไม่ประพฤติถ่ำไม่ปฏิบัตรริร่ำถ่ำจึงไม่รักษาถ่ำจึงไม่เอานวยประโยชน์ให้ฝูประพฤติถ่ำฝูปฏิบัตรริร่ำร่มยอมรักษาพระถ่ำยอมอาํานวยผลอาํานวยประโยชน์ได้รับความราบรื่นดีงามสุขกายสบายใจเป็นอย่างนั้น ฝืนเราฟื้นเราให้สิเปื่นฝืนให้สิปืนฟื้นใหต้นของตนไม่ฟึกตนตนของตนไม่สงสารตนตนของตนไม่แก้ไขตนเองว่มีผูสงสารให้กับผูแก้ไขให้ผู้ื่องสงสารกัสงสารอยู่ที่เคย ตาปาธนาอยากให้พ้นทุกปาธนาอยู่ถ้ผู้ที่จะพ้นว่าต้องการที่จะพ้นเองแก็ยั่งย่องอยู่นั่นแหละวิธีของธรรมะเป็นอย่างนั้น <c oughs> จะปรุงจะแต้งต่อไปจะไม่สงบท่านเป็นโตเนี่ยเอาลูกกันหาสรี่ท่านหาย้ามเนี่ยท่านหายผ้ามนี่พระเวทเพิ่นทํามาแล้ว สุดท้ายไปขั้งพันธุ์าเป็นพระพุทธเจ้าพันก็ท่านหนีไปะมันหนีจากเพราะว่ามันเพราะว่ามันเอาให้ท่านพื้นหนีจากท่านไว้ในโลกท่านเ่ะก็ไ่ไปใส่เละสุดท้ายล่าหุ่นนั่งพิมพ์ผ้าก็บวชน้ากันอีกบวชน้ากันเลยพ้นทุกข์พนยากคนว่าตาสงสารไปน้ากันของท่านได้ยาก มี่ดอกนี่หน่อยผู้ <c oughs> หายท่านบลรมัทธท่านใช่มันมือนของธรรมดา <c oughs> ต่างบารมีถ้นโดยการหายท่านพระพุทธเจ้าท่ำมาเป็นแบบยางแตะขังเป็นโพธิสัตว์กิเลสมันบอกเข้ามันก็สือว่าเอ้ ว่าจำเป็นดอกท่านเพราะว่าน่าเอาโหลดเงินว่าเสนอเพราว่า น, า, า, า, าน่าอโหลดก็เพรหายเจี๊ยส์เสียลอท่านเจียส์เสลาเจียแทมันตนุนี่มันสบมันห่อหงไว้มัจริยะห่อหงตัวเองห่อหงจิตคือการกับดักแด่ที่กัดักแด่เขาฟักไงจ๊ะ เป็นกับโต้หมอนนั่นเขาฟักมันเท้าแง่ห่มจะคล้องก็เลยค่ยเลี้ยงหมอนหเห็นน่หม่อนเท้าแง่ห่มจะคล้องหม่มเข่าห่มเข่ากับเข่าฟักห่มจะคล้องไว้บางก็ออกมาออกมาแพ้มากนั่นอ <c oughs> เองนั่นให้เป็นพอเป็นศาตร์ต่ออยู่บนเศ้า อืม oh.